สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทยิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตบทที่24ข้อ2 3จนข้อ27สุภาษิตบทที่24ข้อ2 3่สาจนถึงข้อ่เโปรดฟังพระนจะนะของพระเจ้าข้อความเหล่านี้เป็นคำกล่าวของคนมีปัญญาด้วยการลำเอียงในการตัดสินนั้นไม่ดีเลยผู้ที่กล่าวแก่คนอธรรมว่าเจ้าไร้ความผิด จะถูกประชาชนแช่งและประชาชาติรังเกียจแต่ผู้ที่ประนามคนอธรรมจะปิติยินดีและพรอันดีจะมายัางพวกเขาคนที่เป็นเพื่อนแท้คือคนที่ตอบตรงไปตรงมาจงเตรียมงานของเจ้าที่ข้างนอกจงทำมันให้พร้อมสำหรับเจ้าที่ในานาและหลังจากนั้นก็จงสร้างบ้านของเจ้าเพื่อ น, นครับสุภาษิตในวันนี้ รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ข้อ23จนถึงข้อ27มีทั้งสิ้น5ข้อด้วยกันแต่เป็นถ้อยคำเพิ่มเติมของปราดครับในที่นี้พระเจนะของพระเจ้าได้มีคำเขียนอย่างนี้ครับว่าคำกล่าวเพิ่มเติมของคนมีปัญญานั่นหมายความว่าไอเดียหรือประเด็นความคิดแนวคิดเพิ่มเติมของคนที่มีปัญญาสอนสั่งต่ อ, ต, อต่อกันมาพี่น้องครับในเช้าวันนี้ ก็จะเป็นถ้อยคำหรือแนวคิดที่เพิ่มเติมตั้งแต่ข้อ23จนถึงข้อ27เป็นการเพิ่มเติม3แนวคิดครับและในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเติมอีก3แนวคิดรวมทั้งสิ้น6แนวคิดก็จะจบบทที่24ีครับพี่น้องครับการนำเสนอถ้อยคำแนวคิดหรือประโยคของปาดเพิ่มขึ้นอีก6ประโยคนะครับหกประโยคนี้ก็เกี่ยวข้อง ครอบคลุมถึงความยุติธรรมและการเป็นพยานในศาลความจริงใจลำดับความสำคัญก่อนหลังการเป็นพยานเท็จการแก้แค้นความเกียจคา้านพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ปราดเพิ่มเติมขึ้นมาในวันนี้นะครับ3ประโยคแรก3ามไอเดีย3ประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องของความยุติธรรมและความอายุติธรรมครับพี่น้องครับพอจะนะักข้าวกล่าวว่า การลำเอียงในการตัดสินนั้นไม่ดีเลยการลำเอียงในการตัดสินไม่ดีเลยการลำเอียงในการตัดสินคดีนั้นถูกประนามในพระธรรมเฉลยธรรมัญญาตบทที่หนึ่งข้อสิสุภาษิตบทที่17บเข้อสิบทที่ 18: บข้อหบทที่28ข้อ21พี่น้องครับความลำเอียงต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ดีคนที่เป็นผู้พากษาคนที่อยู่ในอำนาจคนที่มี สิ่งที่เรียกว่าสามารถตัดสินใจสามารถตัดสินคนอื่นได้นี่ะครับต้องมีความถูกต้องชอบธรรมยุติธรรมและไม่ลำเอียงนะครับการปล่อยให้ผู้กระทําผิดเป็นอิสระก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเหมือนกันพี่น้องครับความช่อฉนการคดโกงคอร์รัปชันในเรื่องของความยุติธรรมนั้นก็ส่งผลให้ผู้พิพากษาผู้นำผู้ที่ตัดสินความต่างๆนี้ ถูกสาบแช่งและปฏิเสธครับในขณะเดียวกันครับการลงโทษผู้กระทาผิดก็จะทำให้ผู้พิพากษาผู้ที่ตัดสินผู้นำได้รับพรมากมายเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นผู้นำการที่เรามีอำนาจให้คุณให้โทษให้ดีให้ร้ายเราจะต้องอยู่ในความถูกต้องชอบธรรมและไม่ลำเอียงนะครับแล้วชีวิตของเรานั้นก็จะได้รับพระพร ได้รับการนับถือยกย่องและการขอบพระคุณเราจะต้องไม่ลืมนะครับใครที่กล่าวแก่คนธรรมว่าเจ้าไร้ความผิดจะถูกสาปแช่งและถูกประนามจะมีคนลังเกียจพี่น้องครับในข้อ25ได้กล่าวว่าผู้ที่ประนามคนธรรมจะปีติยินดีและพรอนันดีก็จะมายังพวกเขานี่คือพระเจ้าของพระเจ้าครับเราจะมาดูในถ้อยคําที่2ประเด็นความคิดที่2ครับในข้อที่26ข้อเดียว ข้อิบหนั้นกล่าวว่าคนที่เป็นเพื่อนแท้คือคนที่ตอบตรงไปตรงมาพระคัมภีร์ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษและเวอร์ชั่นเดิมๆนะครับก็จะพูดบอกว่าคนที่เป็นเพื่อนแท้คือคนที่ตอบตรงไปตรงมาคนที่ตอบตรงไปตรงมาการจูบของเขาก็บริสุทธิ์ภาษาอังกฤษบอกว่า whoever gives an honest answer k i s s ดิลิพส์เพราะงั้นครับถ้าเรามีเพื่อนที่มาจูบเรานะครับและเขาพูดตรงไปตรงมานั่นแหละครับคือเพื่อนแท้ถ้าเราจะแปลนะครับในภาษาปัจจุบันนี้ผมจะขอแปลว่าการแสดงความรักอย่างจริงใจของเพื่อนคือการพูดความจริงอย่างตรงไปตรงมาการแสดงความรักอย่างจริงใจของเพื่อน คือการพูดความจริงอย่างตรงไปตรงมาพี่น้องครับนี่คือมิตรภาพนี่คือความเป็นเพื่อนนี่คือความสัมพันธ์ถ้อยคำที่ตรงไปตรงมาเนี่ยแหละครับคือการแสดงความรักอย่างจริงใจพี่น้องครับในสังคมปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นสังคมภายนอกก็ดีหรือสังคมในกิจจา ก, ก็ดีมีความไม่จริงใจเจือปนอยู่และความไม่จริงใจนี้มันมีหลายระดับครับ ไม่จริงใจแบบที่หน้าไหว้หลังหลอกหน้าซื่อใจคดหรือไม่จริงใจที่ระดับดีขึ้นมาหน่อยครับก็คือไม่พูดและไม่จริงใจระดับที่น่าจะดีที่สุดนะครับก็คือพูดความจริงบ้างและ พ, พ่มพีบอกว่าความจริงใจที่ดีที่สุดเป็นสัญญาณสั ญ, ญลักษณ์ของมิตรภาพที่ดีเปรียบเทียบกับการจูบครับก็คือ การพูดอย่างตรงไปตรงมานี่แหละครับคือเพื่อนแท้พี่น้องครับเพื่อนแท้มีไว้สําหรับที่จะรับกันและกันเหมือนกับเหล็กรับเหล็กพี่น้องเคยเห็นไหมครับว่าเวลาที่พ่อครัวเวลาเขาจะทําการรับมีดบางท่านบางคนก็เอามีดอีกอันหนึ่งมารับกันพี่น้องเห็นไหมครับนั่นแหละครับคือมิตรภาพ ความเป็นเพื่อนเล็กรับเหล็กได้เพื่อนก็สามารถที่จะรับฝนกันและกันได้พี่น้ครับนี่คือเพื่อนแท้เพื่อนแท้นั้นจะต้องพูดกับเราอย่างจริงใจครับว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรและเพื่อนแท้นั้นก็จะเป็นครูเป็นครูเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราสอนเราพี่น้องครับพระเยซูส่งเป็นสหายเลิศเป็นเพื่อนแท้ของเราการพูดอย่างตรงไปตรงมา ของพระวจนะของพระเจ้าหรือการพูดอย่างตรงไปตรงมาการตรัดอย่างตรงไปตรงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นแสดงว่าพระองค์ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราครับพระองค์ทรงเป็นเพื่อนที่เลิศประเสริฐเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตของเราพี่น้องครับโปรดอย่าลืมนะครับว่าการแสดงความรักอย่างจริงใจหรือการจูบของมิตรหรือเพื่อนแท้นั้นคือการพูดความจริง หากเรารักใครสักคนหนึ่งท่านต้องพูดความจริงครับหากท่านรักพี่น้องของท่านท่านก็ต้องพูดความจริงครับหากสบอรักสมาชิกสบอก็ต้องพูดความจริงหากสมาชิกรักสบอสมาชิกก็ต้องพูดความจริงครับขอพระเจ้าช่วยเราในการที่เราจะพูดความจริงด้วยใจรักที่มีต่อกันและกันและเขาจะสัมผัสถึงความรักที่เรามีต่อเขาได้ ประเด็นต่ อ, ตอไปครับเป็นประเด็นสุดท้ายของช้าวันนี้อยู่ในข้อที่27เพราะเจนะของพระเจ้ากล่าวว่าจงเตรียมงานของเจ้าที่ข้างนอกจงทํามันให้พร้อมสําหรับเจ้าที่ในานานและหลังจากนั้นเจ้าก็ทรงจงสร้างบ้านของเจ้าที่นี่พูดถึงเรื่องของ Priorities ครับ Priorities ก็ Prior คือการจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังชาวนาต้องเอาใจใส่ต่อการเพราะปลูกของทุ่งนาของเขามากกว่ามาก่อนนะครับ ความสะดวกสบายส่วนตัวการจัดลำดับความสำคัญก็คือว่าต้องจัดอะไรมาก่อนมาหลังนะครับเราทั้งหลายต้องควรตั้งชีวิตที่จัดระเบียบไว้อย่างดีนะครับรวมทั้งความมั่นคงในด้านต่างๆเช่นความมั่นคงในด้านการเงินนะครับก่อนการแต่งงานก่อนการเลิกครอบครัวอะไรทำนองนี้ครับก็คือเราจะต้องจัดลำดับความสำคัญก่อนครับการประยุกใช้ที่มากกว่านี้ก็คือว่า เราควรรักษาสิ่งต่างที่มาก่อนให้มาก่อนนะครับสิ่งต่างที่มาก่อนให้มาก่อนเช่นเช่นการรักพระเจ้าการให้พระเจ้ามาก่อนก็ต้องมาก่อนครับหลายครั้งทีเดียวเรากลับลําดับความสําคัญก่อนหลังไม่ใช่จัดนะครับแต่กลับครับกลับก็คือว่าเราสลับสลับความจําเป็นความสําคัญก่อนหลังการเรียงลําดับผิดเมื่อผิดอะไรเกิดขึ้นครับชีวิตก็สับสนครับ ชีวิตกวุ่นวายพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเนี่ยบางคนนะครับบอกกับผมบอกว่าความจําเป็นของครอบครัวมาก่อนพระเจ้าอันนี้ผิดแล้วครับผมอยากจะบอกว่าพ่อพีชัดเจนครับว่าให้พระเจ้ามาก่อนให้เราสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนนะครับพระองค์ก็จะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้พี่น้องครับให้พระเจ้ามาก่อนเลยครับอย่าให้อะไรบางอย่างมาก่อนพี่น้องครับ ในวันอาทิตย์เราควรจะต้องพาลูกมาเรียนพระคมภีร์เรียนเลวีนะครับในทุกๆวันเราควรจะต้องพาลูกเข้าเฝ้าพระเจ้านำลูกอธิษฐานนะครับในทุทกๆวันเราควรจะต้องคุยกับลูกให้เวลาลูกนะครับนี่คือสิ่งที่ควรจะมาก่อนมาก่อนอาชีพการงานของพ่อแม่อามาก่อนความสะดวสบายนะครับ มาก่อนอะไรหลายอย่างครับให้พระเจ้ามาก่อนเถอะครับพี่น้องแล้วพี่น้องจะเห็นความสัตย์ซื่อของพระองค์ความดีของพระองค์และการที่พระองค์ทรงทำตามพระสัญญาของพระองค์อามน